อุตชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานรมิตขีนานโยตอนรู้สึกตัวเข้าไว้อย่ายึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์นักสการ์ทัานหลวงตาในบางกรณีแย่หลตาหรืว่าให้มีหลักอยู่กับหลังอะไรผ่านมาก็ไม่เอาปล่อยไปให้หมดที่อยู่กับหลักบางกรนี้หลวงตาบอกว่าเออให้อยู่กักบปัจจุบัน ตามความเข้าใจก็คือว่าในขณะที่เราอยู่ที่เราอยู่กับหลักเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยอย่างงี้ถูกต้องไหมคะหลวงตาก็นแน่อยู่กับหลักเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละมันต้องรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละและอยู่กับหลักด้วยแต่เมื่อเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่หลงแล้วเราก็จะทิ้งหลักเหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน ฟังให้ดีเนี่ยทิฎฐิสยามเขาถามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเต้ไม่ได้ฟังเนี่ยทิฎฐิสยามเขถามที่เราตอบเนี่ยเนี่ยข้อหมายเนี่ยทบทวนมาทิฎฐิสยามว่าไงที่เราตอบแล้วเข้าใจยังไงถามมาคาถามคำตอบทบทวนตัทวทวุกเราเองทวนเนี่ยเมื่อกี้เข้าใจว่าเออถ้าเราอยู่กับหลักนั่นก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันด้วยแต่เมื่อเราอยู่กับเอเราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ไม่ต้องก็ทิ้งหลักได้ค่ะ นี่ใช่ไหมค่านอาจารยถูกต้องทำไมร้อยทิ้งหลักไปก็เพราะว่าต้องฝึกให้รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้สึกตัวในปัจจุบันได้แล้วเราก็ทิ้งหลักไปได้เหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันแม้แต่เรามีหลักอยู่เราก็ต้องบริกรรมด้วยความรู้สึกตัวเราไม่ใช่ว่าบริกรรมด้วยความไม่รู้สึกตัวต้องบริกรรมด้วยความรู้สึกตัวแต่เมื่อเราเนี่อรู้สึกตัวไปแล้วเราก็ทิ้งหลักไปเหลือแต่ความรู้สึกตัว ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมัน ก, ก็จะไม่หลงไปหมกมุ่นคุณคิดไม่หลงไปไม่หลงเมื่อเพือเพื่อไปคิดเพื่อเพื่อเจริญใจเหลอหือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่ในความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยค่ะหลวงตาบางทีมันก็มีมีเผลอมีหลุดนะคะหลวงต า, าเอเผลอหลุดเมื่อไหร่หลงหลงอีกก็รู้สึกตัวกันมาอีกหลงอีกอก็รู้สึกตัวกันมาอีกหลงอีกก็รู้สึกตัวกันมาอีกแล้วเราควรจะต้องใช้ หลักเข้ามาอีกไหมคะห ล, ลักมันมาช่วยตรงนี้ห่ะหลักตรงนี้มันช่วยคนขี้เผลอเนี่ยขี่หลงเนี่ะออถ้าหลงแล้วสามารถรู้สึกตัวได้เร็วหลงแล้วรู้สึกตัวได้เร็วหลงแล้วรู้สึกตัวได้เร็ว responses. ต่อไปเนี่ยความหลงมันก็จะน้อยลงมันจะเหลือแต่รู้ความรู้สึกตัวมากขึ้นหลงน้อยลงหรือตึกตัวมากขึ้นหลงน้อยลงหรือตึกตัวมากขึ้นจนกระทั่งมันสิ้นหลงเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวคือถ้าเร า, ารู้เร็วเราก็ไม่จําเป็นต้องกลับไปหาหลัก แต่ถ้าเราหลงไปนานไปไกลเราก็ควรจะมีหลักเอาไว้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหลงนานและหลงบ่อยถ้าหลงนานและหลงบ่อยต้องมีหลักแต่ถ้าหลงแล้วรู้สึกตัวได้ทันทีหลงแล้วรู้สึกตัวได้ทันทีหลงแล้วรู้สึกตัวได้ทันทีความหลงมันจะน้อยลงความรู้สึกตัวจะมากขึ้นจนกระทั่งสิ้นหลงแล้วก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกตัวนะั้น ไม่ใช่ปะเป็นความรู้สึกตัวที่รักษาตัวเองไว้เพราะว่าเมื่อหลงสิ้นหลงแล้วเนี่ยมันมันทั้งสิ้นหลงมารักษาลุรักษาความรู้สึกตัวไว้มันจะเหลือเหลือแต่ความรู้ตัวเป็นอัตโนมัติว่าบบบนี้ไม่หลงแล้วงั้นตอนแรกๆมันจะหลงไปก่อนแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปก่อนแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาพราะมันไม่ไม่หลงอะไรแล้วสุดท้ายมันก็หลงคือหลงรักษาตัวเองไว้ไม่ให้หลง คือรักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วมันก็จะมีปัญญาเห็นว่าไอการที่เราพยายามรักษาความรู้สึกตัวไว้ไม่ให้หลงไม่กับอะไรอันนี้ก็คือยังหลงอยู่เพราะว่ามันเป็นภาระตั้งใจแล้วเราก็วางความพยายามรักษาความรู้สึกตัวไปแล้วถ้ามันหลงใหม่ก็รู้เอพอทานเอาแต่พอเราวางความรู้สึกตัวไปแล้วมันไม่หลงเซะแล้วเพราะเรามันไม่หลงมันเป็นความรู้สึกตัวดซะแล้ว พอมันวางไปแล้ววางความรู้สึกตัวไปแล้วอ่ะหลงก็หลงไปปล่อยมันแล้วค่อยรู้สึกตัวเอาความหลงที่ไปรักดาตัวเองก็ไม่มีเพราะว่าเอาอยากจะหลงก็ค่อยหลงไปเพราะมันรู้สึกตัวเองมันหลงแล้วก็รู้สึกตัวเอาแต่ความที่มันฝึกเตือนกระทั้งมันรู้สึกตัวไม่หลงแล้วพอปล่อยความหลงรู้สึกตัวไว้ความที่จะหลงมันรุงแต่งอีกโดยไม่รู้ตัวมันก็จะไม่มีมันเลยอยู่กับรู้รู้อะไรก็รู้ว่าไม่หลงสิ้นหลงแล้วไม่หลงอีก อยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้อะไรก็รู้พ้นรู้พ้นรู้พ้นแล้วคือไม่หลงไปกลับอะไรเหลือแต่รู้พลนค่ะอันนี้เข้าใจแล้วค่ะหลวงตาค่ะยี่ยี่อีกคําถามนึ่งค่ะหลวงตาเอ่อเวลาเรารู้ว่าเราคิดนะคะเรากําลังปรุงแต่งอยู่แล้วเราก็รู้มันว่าอะตอนนี้ไปไปปรุงแต่งแล้วล่ะบางทีมันก็มันก็ดับไปทีนี้ อ, อมันยังไม่ละเอียดพอที่จะรู้ว่าเออเราไปไปดับมันเองหรือว่าไปจ้องไปทําให้มันดับเอาไว้หรือว่าเขาก็ดับไปตามปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะหลวงตาคะเราจะเออคือมันยังแยกไม่ค่อยออกว่าเราเราไปมือกับไปดับเขาอย่างนี้ค่ะหลวงตาในเช้าสถ า, านีคือกับที่เขาดับไปเองโดยที่เราไม่ไม่ได้ไปไปบังคับ ดับเขาในความคิดตรงนี้ไปไปหมายตรงนี้ไว้ไปหมายความดับดุษฎีอาไปหมายตรงความดับไว้ในใจอืมันจะดับหรือไม่ดับไม่ไม่เกี่ยวกับเราเรารู้มันดับก็มันจะดับไปก็ไม่ได้มีความหมายมันจะดับหรือไม่ดับเราก็ได้แต่รู้เพราะว่ามันเป็นรู้เนี่ยมันดับเดี๋ยวมันก็คิดอีกมันดับเดี๋ยวมันก็คิดอีกแต่เราไปรู้เรื่อยไปอ่ะมันดับกว่ารู้ว่ามันดับมันคิดอีกก็รู้มันคิด ไปรู้เรื่อยไปอ่ะแต่ mm hmm. ดิศริยาเนี่ยไปหมายตรงดับไป <Okay. S 1> แต่ไม่เอารู้เนี่ยเราบอกแล้วมันผิดตัวนะ <Okay. S 1> มนผิดตัวเพราะผิดตัวเนี่ยรังสีจิตมันจะออกมาดาค้ำอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราไปหมายตรงดับแต่อาจารย์เอารู้ให้รู้ <Okay. S 1> พอ ร, รู้มันเป็นพุทธะมันจะสว่างสวายไปทั้งโลกธาตุแต่ mm hmm. แต่ของเราเนี่ยบอกว่าอาจจะรู้แต่มันคล้าไปหมดเลยมันมืนมด เพราะว่าเราหมายไว้ดับแต่บอกให้เป็นรู้แล้วก็เอาตรงดับมันดับมันดับอีกแหล้วเดี๋ยวก็ดับพูดมาหลายครั้งแล้วต็ทำไมไม่เปลี่ยนนัะน่นนี่ยอืมก็เออก็มีมีบางช่วงที่ที่รู้สึกได้ว่าพอพอเกิดมีความคิดตรงแต่งขึ้นแล้วพอเราไปเห็นเขาเนี่ยเราก็ดูเขาต่อก็คือว่าเขาจะเป็นอะไรก็ก็ดูรู้เขาไปว่า เ, เขาก็ไม่ได้ดับไปทันทีเดี๋ยวเขาก็มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกอันนี้ก็มีมีเห็นอยู่บ้างนะคะ่ะหลงตาค่ะเราว่าดิบศยาต้องมีหลักไว้ก่อนเพราะดิบศยายังแยกไม่ออกเลยว่าหลงกับรู้เนี่ยเพราะมันยังคอยไปเอาอาการของจิตมาเป็นมาเป็นรู้เนี่ยต้องเอาหลักไว้แล้วก็เอาหลักไว้อย่างอื่นทิ้งหมดค่ะ ต้องมาเอาตรงนี้ก่อนเลยอ่ะคือเอาหลักไว้อย่างอื่นทิ้งหมดคมันจะดับไม่ดับมันจะหลงไม่หลงไม่ต้องไปกังวลใจเอาหลักอย่างเดียวมันจะหลงไม่หลงก็ให้ทิ้งให้หมดมันจะมันจะดับไม่ดับก็ทิ้งให้หมดเอาหลักอย่างเดียวเอาหลักพุทโธพุทโธพุทโธไว้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้เอาหลักไว้เฉยให้มันรู้ไว้อะไรเกิดขึ้นได้เลยรู้เดี๋ยวจะไปมันดับมันนิ่ง มันเฉยเอ้มันเฉยหรือไม่เฉยเนะยมันก็จะเอาอยู่ตรงเนี้ยวุ่นวายอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไปกดจิตให้ดำคล้ำไปหมดอ่ะมันไม่ไม่ปล่อยเป็นธรรมชาติคือว่ามันเป็นความกลัวกลัวว่ามันจะหลงมันก็เลยหลงเลยตนงนี้หลงตลอดมันก็ดำไปหมดแหละไปกดไปตกดไว้กลัวจะไม่รู้ไอ้ความกลัวจะไม่รู้นี่เนี่ยมันคือหลงแล้วมันคือหลงมพรนั่นแหละ แล้วเอาหลักมาแก้เลยเงี้ยพูดโธรพูดโธรไว้มันจะหลงแล้วไม่หลงช่างมันเถอะเราอย่าทิ้งหลักมันก็ไม่ไม่ทราบกับไม่หลงในตัวนั่นแหละอย่างนี้ถ้าไม่มีหลักไว้ก็หลงหรือรู้รู้หรือหลงหลงหรือรู้อยู่นั่นแหละไอ้นี่คือหลงตลอดเวลาเลยแต่เนี้ยมันไม่เป็นรู้หรอกเข้าใจนะคะหลวงตาเอออย่างเงี้ยมันก็ไปจะกดจิตให้ดํามืดไปหมดเลยอ่ะมันไม่ไม่ปฏิบัติยังไงไม่ไม่สว่างสวัยเสียที มันจะกาหลงตาค่ะจิตบางทีมันเห็นจิตมันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแต่มันเห็นแป๊บแป๊ปีก็ถือว่าถูกใช่ไหมคะคือพอมันมีสติปุ๊บจิตมันเห็นจิตมันมันเหมือนที่บอกว่าไม่เคลื่อนไหวนะค่ะแต่ก็อยากจะรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าทิ้งมันไปให้หมดอนะทิ้ง ค, ค่ะทิ้งมันไปหมด มันเหลือแต่ความรู้สึกต ok ัวไปอย่างเดี๋ยวเข้าไปหมกมุ่นคุนหายนั่นแหะคือหลงแล้วค่ะอย่าทิ้งความรู้สึกตัวแล้วเข้าไปหมกมุ่นคุนหาเห็นจะเข้าไปหมกมุ่นคุนหาอะไรไป็รู้ไปหลงอะไรไปหลงไป็รู้เอ็นนี่รู้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหลงอันนี้มันทิ้งความรู้สึกตัวไปมันเลยหลงจริงๆเนี่ยงทมันเหมือนไปใส่รองเหมืนอันนนนะคือหลงเลยหลงกันเข้าไปหมกมุ่นเลยเนี่ยเพราะอะไรทิ้งความรู้สึกตัวเข้าไปหมกมุ่นค่ะ แล้ตัวเองมันเหมือนว่าเราเมตตาน้อยอะบางทีอยากจะเมตตาเขาแต่พอทําจริงมันมันกลับตรงข้ามเ อ, อ้ยให้มันเรารู้สึกตัวไปนะ่ะแหละเมตตามันเกิดขึ้นเอง เ, ออเราไปสร้างมันเป็นความปรุงแต่งอะไรพอเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราไม่ก่อเกี่ยวผูพันสิ่งใดพวามเมตตามันเกิดขึ้นเอง การที่เราจะปล่อยวางเนี่ยบางทีมันวางแบบค้างค้างคาคาวางไม่ค่อยเต็มอะค่ะเป็นยังไงมันมันวางไม่ไม่ไม่ใจมันไม่วางลอยอย่างเงี้ยคือใจมันไในวางเนี่ยมันจะเก็บมาทําอะไรมาเก็บไว้ในอะไรในใจให้มันเป็นทุกทุกขณปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มันจะมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจทุกข์ใจขับแค้นใจกดเครื่องค้างาคารับแค้นมันจะมาค้างไว้ในใจอัที่เราบอกว่าวางวางหมดเราวางเข้าไม่ได้เราต้องช่วยเหลือเขาอะไรเขานี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติปกติต้องช่วยเหลือกันแต่ไม่เอามาเก็บไว้ในใจนเรียกว่าปล่อยวางคือปล่อยวางสิ่งที่มาเก็บไว้ในใจใจก็วางเปล่า เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าปล่อยวางหมายถึงว่าเออใจเราจะไม่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวเขาอีกแล้วไม่ใช่ปล่อยวางคือว่ามันไม่เอาอะไรมา่าคับไว้ในใจเลย น, นั่นแหละคือปล่อยวางแต่เราก็ต้องไปช่วยเขาไปเกื้อกูลเขาเกื้อกูลญาติพี่น้องแต่ใจเราเนี่ย มันปล่อยวางคำว่ า, าปล่อยวางคือทุกขณะปัจจุบันไม่เอามาให้เป็นทุกข์รกีกว่าปล่อยวางแต่ถ้าเราเนี่ยไปเอามาเข้าไปทุกข์ในใจในปัจจุบนันนี้นั่งตัวนั่งอยู่นี่แต่กลับไปเอาเข้ามาทุกข์ไว้ในใจอย่างนี้เรียกว่าไม่ปล่อยวางคือตัวมาอยู่นี่แต่เขามันตามมาเป็นทุกข์อยู่ในใจเราในปัจจุบันต่อหน้าเดี๋ยวนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวาง เขาใจจริงก็เปล่าจริงไหมต้องเข้าใจในใจเลยจ้ะเอ <c oughs> อเข้าใจแล้วไม่มีอะไรเมื่อสว่างสวายไปทั้งโลกธาตุอะไรมันไม่ถึงว่าปล่อยวางในขณะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวอย่างนั้นเราวางเข้าไม่ได้เขาจะเขาไปช่วยเขาอยู่เรื่อยมันเรื่องปกติอะ น, นะเนะี่ไม่เอามาเก็บไว้ในใจให้เป็นทุกข์เปความเครียด เออแต่ถ้ามานั่งหมุนหมองมาตัวมาถึงนี่ยังไปหมุนหมองหน้าตามหมุนหมองเศร้าส้ อ, สอยอ๋ออย่างนี้มันไปเก็บอะไรมาเป็นหมุน ห, หมองเศร้าซ้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมแม้แต่เด็กมันยังเป็นเลยไหมเนี่ยมันเป็นในปัจจุบันไ ม, ม่เอาอะไรมาค้างขาใจแก้แก่นั้นแหนะเรียยวก็ปล่อยวางพอปล่อยวางหมดแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันง่ายแล้วตอนนี้ ว่มันไม่หลงไปกับอะไรแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวเพียวๆในปัจจุบันที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องมีพยายามให้รู้สึกตัวเพรมันปล่อยวางหมดแล้วมันก็เลยไม่หลงไปกลับอะไรมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรายังไปยึดอะไรก็ต้องวางไปซะแล้วก็ไปมันก็ยึดอะไรเราก็ต้องรู <buckets> ้ท yes, it right like ่นทานแล้วเราก็พอมยึดอะไรก็รู้ทันทานยึดอะไรก็รู้ทันทานรู้ท่านพทันหมดเป็นสิ่ยึดปุ๊บก็เป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติเพราะมันไม่หลงไปกลับอะไรแล้วไง ไม่ลงปยิอะไรมันเลยเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติไอ้ที่เราพยายามมาทำความรู้สึกตัวไว้แต่ใจไม่ปล่อยวางอันนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันเป็นความปรุงแต่งเพราะในใจมันยังหลงอยู่ไอ้ความรู้สึกตัวคือมันรู้สึกตัวว่ามันสิ้นหลงแต่นี่มันรู้สึกตัวแต่ใจมันยังหลงอยู่มันเป็นมันไม่เป็นความรู้สึกตัวหรอก คือมันความรู้สึกตัวในปัจจุบันคือมันไม่เอาอะไรมาไว้ในใจให้เป็นความทุกข์มันมองคําดําปื้อทั้งหมดเลยเพ้นมันไม่ต้องใช้ความสามารถระดับใดเลยความยึดไม่ยึดมีอะไรข้างในใจแม้แต่เด็กตัวเล็กๆกัน ม, มนีอะไรข้างอยมั้ยเพราะแหละคนนั้นก็มีเรื่องนี่คนนี้ก็มีเรื่อง น, นั้นคนนั้นก็มีเรื่องนี่บอกว่ารู้สึกตัว ป, ปัจจุบันรู้สึกตัวอะไรมันไม่ใชรู้สึกตัวแบบเนี้ย มันมีแต่ยึดยึดยดยึดไว้ในปัจจุบันแล้วบอกเป็นความรู้สึกตัวมันมันไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ยึดยังไม่รู้สึกตัวอพอรู้สึกตัวมันก็คือการปล่อยวางพอปล่อยวางหมดปุ๊บไม่มีอะไรอยู่ในในใจมันก็เลยรู้สึกตัวในโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมันก็เป็นความรู้ตัวในปัจจุบันว่าได้ปล่อยวางหมดแล้วแต่นี้บอกรู้ตัวรู้ตัวแต่ยึดจนดำไปหมดแล้วมันจะอย่างนี้ไม่รู้ตัวยึดนั่นยึดนี่ยึดนี่ยึดนั่นยึดนั่นยึดตลอดพัฒน์จะยึด นันถ้าไม่ยึดแล้วก็รู้ว่าไม่ยึดแล้วก็จบแล้วแค่นั้นไม่มีอะไรก็รู้แต่เพียงว่าไม่ยึดแล้วสิ่งยึดแล้วป่านี้ไม่ยึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่ยึดก็รู้อยู่อาจารย์ยึดก็รู้อยู่อาจารย์แต่ขอยึดหน่อยเงี้ยแล้วมันจะทำยังไงอืหรือว่าเอารู้อยู่มันเป็อะไรก็รู้อยู่เนี่ยอาจารย์รู้อยู่ใจไม่สบายก็รู้อยู่ใจเป็นทุกข์อยู่ก็รู้อยู่อา้ารู้แล้วทำไมไม่ลนะล่ะ เดี๋ยวมันก็หายไปเองเมื่อไหร่มันจะหายไปเองก็รู้แล้วไม่ยอมละมันก็ดำมืดไปหมดอยู่งั้ น, นั้นแหลแล้วก็สอนสอนสอนแต่มันเศ้าหมองดำมืดเศาหมองดำมืดอย่าคืนนี้นอนตายพรุนี้เจ้าไม่ลืมไม่ตื่นลืมตามาโอ้ยเขาลากับไปแล้วแบบเนี้ยเพราะว่ามันดำมืดเจขนาดเนี้ย เนี่ยมันมันดำอย่างเงี้ยมันยึดอะไรไว้ในใจมันดํามันมืดจริงๆเลยเราก็สงสารก็สงสารพยายามช่วยพูดช่วยบอกช่วยแคะช่วยแกะเกาเอาไม่ออกเอาไม่ออกแล้วเป็นยังไงเวลามันมืดทุกอย่างมันตกต่าหมดมันตกต่ําหมดจริงๆนะค้าขายก็ตกต่าแล้วลุกศิษย์หลายคนที่มันมืดๆไม่เคยมีใครสอบได้สอบพยาการสอบปุ๊กสา สอบในร้อยอลไรก็สอบไม่ติดเพราะมันดํามืดไปหมดมันสอบไม่ติดหลัาบุญบรารมีมันไม่มีมันดํามืดไปหมดอย่าไปสอบเลยได้สอบไม่ติดเลยทุกคนบอกสอบไม่ติดก็ไม่ติดแล้วเฮ้ยไปสอบเลยตกยไม่เกินห้าคะแนนเองอะ่ะประกาศผลมาตกหนึ่งคะแนนอีปีหนึ่งดูงือทุ่มทุ่มเทมันยังมืดอยู่เนี่ยเฮ้ยไปสอบเลยสอบอีกก็ตกไม่เกินหนึ่งคะแนนประกาศผลมาตกครึ่งคะแนน โอ้ยมันมืดซะขนาดนี้ไปสอบเลยได้เจ้าหมวดหนุ่มไมแม่หนุ่มมวดหนุ่มมหาเราดามืดไปหมดหมวดหนุ่มที่มหาเนี่ยดูน้องกองเขาเนี่ยเอ้ยดามืดอย่างนี้สอบไม่ได้ละอาจารย์ผมมุ่งไปสอบมาเออสอบไม่ได้ก็ไปรอฟังผลนะสอบไม่ได้ประกาศผลมาสอบไม่ได้ปีที่สองไปสอบอีกมหาเราเราว่าเลยอ่ะเราบอกแล้วว่าปีหน้าจะสอบได้แต่ต้องใจต้องไม่มืดอย่างงี้อ่าทำไมมันจะมืดอย่างงี้ละ เียดอาจารย์เออเงี้ยสอบไม่ได้รับปีเนี้ยก็สอบไม่ได้ประกาศผลมาไม่ได้เออาาแต่มันระดับปีหน้าก็จะสอบได้แต่ใจต้องไม่มืดอย่างงี้หมาเราก็มาพวก ม, มหาเราไม่นานอาจารย์ก็สอบรายการได้แหละเดี๋ยวผมมาให้ทิงผมสอบผู้ปร า, าได้แล้วอาจารย์เราเห็นมาเยอะแล้วเราจงเชื่อพุทธเจ้ามากเลยทุกอย่างสาเร็จแล้วที่ใจถ้าใจเสียหายดํามืด มันเสียหายหมดเลยไม่มีอะไรดีเลยถ้าใจสว่างสวัยจักไม่ดีมันดีหมดเลยอ่ะเมื่อสมัยก่อนเราเคยเรียนวิชาหนึ่งโงเหเฮงดูลักษณะคนขนหน้าผากอย่างนี้หว่างคิ้วอย่างนี้คิ้วตัวอย่างนี้ตาจะเป็นลักษณะอย่างนี้สันจมูกล่องแก้มอย่างนี้ ลองสีปากอย่างนี้ค้างอย่างนี้ดุกวานตันฐานอย่างนี้จบตอนอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้จะดีอย่างนี้ไม่ดีมันก็บอกหมดนะแต่สุดท้ายก็ซ่อนไวแผ่นสุดท้ายก็บอกว่าไงอัที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยถ้าใจดีดีหมดแต่อันไหนที่บอกว่าดีดีดเนี่ยถ้าใจไม่ดีไม่ดีทั้งหมดแต่เวลาเข้าไปเรียนเขาบแล้วเขาปิดแผ่นสุดท้ายไว้ไม่ยังดีเราโยนทิงเลยอุ้ย อย่างนี้ฝึกใจดีกว่าเพราะถ้าใจดีมันดีหมดนะใจมันไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งหมดแหะอะไรที่บอกว่าดีไม่ดีดีดีพอใจไม่ดีไม่ดีทั้งหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยไปสอนให้คนใจดีดีกว่าตัวเราก็ใจดีด้วยสอนให้คนอื่นใจดีมันก็เลยดีหมดอย่างนี้เชื่อพระเจ้าเจ้าดีกว่าเราเลยไม่เชื่อเลยพวกนี้หลายมือหลายเท้าวันเดือนปีเกินพวกโง่เฮงโง่เฮงอะ พราะใจดีมันดีหมดใจไม่ดีไม่ดีสักอย่างเดียวหมอดูว่าดีดีดีไม่ดีเลยใจไม่ดีเสียหายหมดแล้วเราเห็นมากระตาจริงๆหลายคนตลอดเวลายี่สิบปีดีกว่าคนไหนที่มืดมาแล้วบอกว่าไม่ดีไม่ดงไม่ดีเลยแล้วช่วงใดที่มันมืดนะเวลาเจอคู่ครองโอ้โหมันเจอคู่กรรมชีวิตมันกระทุจริงๆ แต่ตอนที่ใจมันสว่างสวยมันยังไม่รุ้นิพพานมันไปเจอคู่บุญกันมันชีวิตมันก็ยังไงทุกข์ก็ยังทุกข์น้อยมันก็พากันค้ำจุนหนุนกันให้เจริญได้แต่ยังไงชีวิตคู่มันก็ต้องกระทบกันเหมือนกับใส่กําไรข้อมือไว้ในข้อมือเดียวกันสองอันมันก็ต้องอดไปได้ฤทธิ์กัฟันแต่มันก็ยังดีกว่าเจอไอ้คู่กรรมกันตัวเอกกรรมหนักเพราะว่ามันได้มาได้เจอกันตอนขณะที่มันดํามืด แล้วมันก็เลยไปเจอคู่กรรมพ่อไอ้คู่กรรมก็เลยมาก่อนเพราะว่ามันดํามืดมันก็เลยสเปะย์สปาไปเจอกันจอได้นะแต่ถ้าสว่างสวัยไอ้คนนึงดำมืดมันก็เลยหลีกทางกันไปมันไม่มาเจอกันแล้วผลยังไงอ่ะอไอยคนดํามืดมาได้กับคนดํามืดลูกมันออกไม่เออ มันก็ยืดํามืดหลานออกมาเป็นไงก็ย่งดํามืดครอบครัวนั้นตระกูลนั้นมีแต่แย่จริงเลยดูแล้วแต่ละครอบครัวแต่ละตระกูลเนี่ยมันไม่หนีไปเลยจากที่พระเจ้าสอนน่ะใจเนี่ยมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างตงมีใจไปถึงก่อนหมดสาเร็จแล้วที่ใจเลิกดีมงคลดีคือใจดีโอโหอย่างนี้เชื่อพระเจ้าดีกว่าเพราะนั้นเนี่ย พอเจอเด็กเนี่ยสอนเด็กมาแล้วจิตใจมันสว่างสวัยตั้งแต่เด็กเนี่ยโอ้ยมันมันโอกาสที่มันจะได้เจอคู่กรรมเนี่ยที่มันกรรมหนักน่ยที่มันลังสีลจิตดามืดเนี่ยโอกาสมันน้อยมากเพราะว่ามันอีกคนมันสว่างสวัยเป็นธรรมอีกคนมันเป็นโลกมันก็ผ่านกันไปแล้วมันก็จะไปเจอคู่บุญถ้ามันยังไม่รู้นิพพานมันอยากจะแต่งงานก็ไปเจอคู่บุญแต่อย่างไงมันก็จะเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าลิ้นกับฟัน แต่มันก็ยังดีเพราะมันยังเป็นคู่บุญกันสว่างสวัยพ่อแม่สว่างสวยมันก็ได้ลูกที่สว่างสวัยจากสวรรค์ชั้นสูงมาเกิดลูกสว่างสวัยมาเกิดได้หลานมันก็ได้หลานสว่างสวัยได้จากสวรรค์ชั้นสูงมาเกิดเพราะว่าลูกที่มาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นบุญพอออกมาแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าลูกอย่าไปทําผิดศีลห้านะลูกมันเป็นบาปกรรมลูกชีวิตมันจะไม่เจริญมันก็สอนให้ไม่ไม่ทําผิดศีลผิดธรรมตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ แล้วก็พ่อแม่ก็เป็นธรรมสวดบูญไหว้พระรู้อะไรว่าใจเป็นธรรมรู้อะไรว่าใจไม่เป็นธรรมรู้อะไรว่าจะเป็นทุกข์รู้อะไรว่าจะไม่เป็นทุกข์เด็กมันก็ถูกสอนเด็กมันก็ฟังมามาหากรูบาอาจารย์ <im it> เขาก็พาลูกมาลูกมันก็คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์เวลามันมีความทุกข์เดือดร้อนมันก็ไม่ต้องไปนึกถึงใครมันก็นึกถึงครูบาอาจารย์มันไปนเรียนอยู่ต่างประเทศมันก็โทรมาแกล้งวกล้อาจารย์โดนผีหลอกแหละอาจารย์เป็นอย่างงุ่นเป็นอย่างงี้ มันนึกถึงใครไม่ออกมันก็นึกถึงอาจารย์เพราะความคุ้นเคยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นมงคลอย่างยิ่งในอุเจ้าวตัดเราไม่ได้หามงคลในแก่ตัวชีวิตเราคือใจดีเป็นมงคลพอเราไม่เป็นมงคลลูกออกมาได้กู้ของก็ไม่เป็ส่วนมงคลพอมีลูกลูกก็เลยไม่เป็นมงคลพ่อพ่อแม่ก็ไม่เคยพาสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยเห็นแม่นั่งสมาธิไม่เคยเห็นพ่อแม่เดินจงกรม ไม่เคยเห็นพ่อแม่พาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระรยสงฆ์เด็กมันก็เลยไม่เป็นหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ยมันก็มีแต่ทําผิดศีลผิดธรรมไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่เป็นใส่บาตรก็ไม่เป็นเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่เป็นนอบน้อมก็ไม่เป็นมันไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวเคอเคอะเขินเขินไม่หมดเนี่ยกรรมมันเลยตกทอดกันเลยยาวเหยียดเลยเนี่ยน่ากลัวมากเรามองเห็นเป็นเถือกเลยเนี่ยกระแสอย่างนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากตัวของตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะตัวของเราเนี่ยโทษใครไม่ได้เลยอ่ะเพราะเราตั้งต้นมาตั้งแต่เริ่มที่ไม่เริ่มไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกมาต่อมาครอบครัวมันก็ไม่ถูกต้องต่อมาลูกหลานก็ไม่ถูกต้องต่อมาเป็นตระกูลก็ไม่ถูกต้องมันเป็นตระกูลที่บาปหมดเลยเด็กมันออกมาก็ทำผิดศีลผิดธรรมมนตั้งแต่เด็กไม่มีใครสอนไม่มีใครห้าม ตอนนี้มันก็เลยเป็นตระกูลที่บาปจริงๆดังนั้นเนี่ยเราจะไปโทษพ่อแม่เราก็ไม่ได้เพราะเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราก็แก้ไขที่ตัวเราแล้วจะย้อนกลับไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีครูบาอาจารย์มันและไปแล้วเราเกิดมาแล้วตอนนี้เรามีครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติให้มันได้ปฏิบัติแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้มันเข้าใจ ให้มันทําให้ได้เออมันจะได้เปลี่ยนตระกูลใหม่ที่มันเป็นตระกูลที่เ อ, อมีบุญวาสนาบารมีด้วยกันทั้งหมดก็มันเปลี่ยนที่ไขรก็เปลี่ยนที่เ้านี่ยแหละถ้าเราไม่รู้จักเปลี่ยนคนแล้วคนอื่นจะเปลี่ยนยังไงเราเห็นเนี่ยเด็กๆมาใส่บาตรตัวนั้นก็เปียกนี่เดียวพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายพ า, า, า, ามาใส่บาตรก็ยังดีก็ยังสงสารมาใส่บาตรนะ เวลาพอเด็กใส่บาตเสร็จก็อ้ามึงกับพระดิเด็กมึงกับไม่เป็นมันตัวก็เปียกอมันไม่เคยเห็นเราสะเก็ดเห็นแล้วเด็กมันก็มึงนอนไม่กับพระกูบอกให้มึงกับพระเดี๋ยวกูเบิดหัวกะโหลกซะเลยดิปุ๊กเนี่ยตบหัวกะโหลกไปทิ้งเราอโอ้ยโหดร้ายจริงเด็กมันทำไม่เป็นเดี๋ยวกดหัวมันไว้กับทับบนถนนในกาบพระาเงี้ยเออก็ผู้ใหญ่ไม่ได้ทําให้มันดูอ่ะ ก็ทําไม่เป็นออย่างเงี้ยก็มีแบบมึงทำงี้ดิมึงทําอย่างงั้นดิมึงทําอย่างเงี้ยแต่โอโฮเราดูแล้วผู้ใหญ่หน่าดูเลยแล้วก็บางทีเนี่ยพ่อแม่พาลูกไปบวชเนรไปอยู่วัดหวังจะให้พระอบรมสั่งสอนปรากฏว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พาไปแล้วเขาสั่งสอนหรือไม่สั่งสอนก็ไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปจับยาได้าพาะเฉย แ้วก็ เ, เป็นหรือเปล่าสอนเป็นหรือเปล่าไม่รอยู่ว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเราสอนเองไม่ได้จับเจ้าใส่ผ้าไปก่อนมันไม่ได้ฝึกฝนะตรงเนี้ยมันเลยเสียหายกันมาเป็นเป็นตกทอดกันมาเป็นกระวนเลยเราฝึกที่ตัวเรานะเราลกสวรรค์ น, นิพพานเลือกเองได้ฝึกที่ตัวเราเนี่ยแน่เราเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือตัวเราซะก่อนอ ะ, อะถามเลย จะถาเลยเดี๋ยวครุ่นี้แกว่าจะออกตอนเช้าเลยอาจจะไม่มีโอกาสได้าถามดวงตาตอนช่วงอ้อเช้าครับก็ตอนนี้สงสัยอยู่นิดหนึ่งครับดวงตาว่าคื อ, เ, อเราสามารถจะทิ้งทุกอย่างในใจออกไปได้เลยแล้วก็อโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยอย่างนี้แล้วมันจะมี ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเลยนะครับผมนายเอาของเราก่อนเนี่ยไม่ต้องทฤษฎีอะไรในปัจจุบันเป็นยังไงอเราอยู่กับความรู้สึกตัวหรือว่าใจเราไปอยู่กับกันมันสลับสลับกันนะครับผมนายสลับการแสดงว่าเรารู้ตัวแล้วตอนที่สลับการแสดงว่ามันหลงเราก็รู้ตัวเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ทําแค่นี้เพราะเราก็บอกเองว่ามันสลับสลับกันครับ ตอนใดขนาดจิตใดมาหลงเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาอล้วทำไมลดมาสับเปลี่ตอนใดเราหลงเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้บอกแล้วมันสลับสลับกันตอนใดที่ไม่หลงนะ่ะแสดงว่าเรารู้แล้วว่ามันไม่หลงคือเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละเพราะว่ามันหลงเรารู้สึกตัวแล้วนี่มันรู้สึกตัวมาก็เป็นความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติ มันหลงอีกเราก็รู้สึกตัวมาอีกความรู้สึกตัวนั้นจ ะ, นนจะปเป็ น, ค ว, วปนความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติจนกระทั่งความหลงมันน้อยลงเหลือแต่ความรู้สึกตัวจนกระทั่งความหลงรู้หมดไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้แบบหลงที่จะรักษาตัวเองไว้โอ้มันก็จะรู้อีกว่าเอายังหลักษาตัวเองทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นภาระเพราะว่ามันยังเครียดอยู่ในการที่เป็นภาระแล้วเราก็รู้สึกตัว แล้วก็วางความรู้สึกตัวไปวางความที่พยายามรักษาความรู้สึกตัวไปมันก็เลยเหนือกว่าการที่พยายามรักษาความรู้สึกตัวไว้เป็นบัดนี้รู้ว่าสิ้นหลงแนละ้วและก็อยู่กับผู้รู้ที่รู้พ้นรู้ว่าไม่หลงไปกับอะไรแนละ้วแม้แต่หลงรู้สึกตัวก็ไม่มีอยู่กับปัจจุบันด้วยความที่ไม่หลงไปปรุงแต่งอะไรที่ผิดจาก ปัจจุบันที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ อ, อ, อันนี้พอเข้าใจนะครับมีมีอีกอย่างหนึ่งที่หลวงตาคือว่าเ อ, อที่หลงตาเทศไม่กลางวันวันนี้ก็เมื่อวานนะครับที่ว่าไปงานศพแล้วก็เจอมีเ อ, อวิญ ญ, ญาณเขาออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือไอตัววิญญาณเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นมันก็คือตัวเราที่เป็น มีความรู้สึกนึกคิดอะไรอเงี้ยใช่ไหมครับหลวงตาใช่ใช่ผมก็เลยมองคือก็เลยมองว่าทุกอย่างที่มันเป็นเราที่เรารู้สึกได้ทั้งหมดก็คือไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดอย่างเงี้ยครับหลวงตาเออสุกต้องเราจะได้ไม่สับสนว่าอันไหนคือตัวเราตัวเราไม่มีไงเราจะหาตัวเราเพราะตัวเราไม่มีถ้าเราไปหาครับเท่ากับว่าไอตัวที่หาก็คือตัวหลงเพราะว่าไอตัวหาได้คือตัวปรุงแต่งเพราะตัวเราคือความไม่ปรุงแต่งมันจึงไม่ปรากฏอะไรเลย ดันความที่ไม่มีตัวเราเนี่ยหลคือกวาถูกต้องคือความไม่มีตัวเรารอไปหาความไม่มีตัวเรามันจะปรุงแต่งตลอดครับแล้วเคลียร์จริงหรือเปล่าหังทุกอย่างเคลียร์ไหมชัดเจนไหม ก็ชัดเจนขึ้นแต่เรายังรู้สึกว่าห่างยังมีความกังวลอยู่ในใจคปล่อยวางไม่ขาดเป็นยังเป็นความหลงอยู่ครับอันนี้เนี่ยเรียกว่ายังไม่รู้สึกตัวยังปล่อยให้ความหลงขาดใจได้เรียกว่ายังไม่รู้สึกตั ว, ล ว, ล ว, ตวแล้วเราต้องปล่อยวางทิ้งไปให้มันไม่ขาดใจทั้งหมดเลยใชครับนกะต้อง เชื่อหลงเหลือในใจนิดเดียวจะก่อลามได้อาตับใดยังมีเชื่อเหลืออยู่ในใจมันจะก่อลามได้สุดท้ายแล้วเอาตัวเองให้รอดใช่ไหมครับผ่เราเอาตัวเองให้รอดแล้วจะช่วยคนอื่นได้ถ้าตัวเองไม่รอดจะจมน้ำตายแล้วจะช่วยใครได้ เวลาเราขึ้นครื่องบินไปต่างประเทศเนี่ยเวลาอแอร์โฮสเตสเขามาพูดเวลาเครื่องบินมันจะตกวเวลาจะตกลุมอากาศเนี่ยมันจะมีเครื่องออกซิเจนหลุดออกมาจากไอ้ตรงที่ข้างบนหัวเราอ่ะเขาจะเน้นมากเลยว่าไอ้เครื่องออกซิเจนที่หลุดมาจากเนี่ยตอนนั่งข้างลูกนั่งข้างคนโกลักนั่งข้างข้างเทียนเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าเครื่องออกซิเจนเนี่ยต้องเอาสวมใครก่อน ต้องสวมให้ก่อนตัวเราครับใช่ต้องสวมตัวเราให้รอดก่อนพาเราไม่สวมตัวได้รอดก่อนเนี่ะเราช่วยใครไม่ได้เลยบนเครบินนั่นแหะแต่ถ้าสวมตัวเราสั ก, ก่อนน่ะเราจะสวมคนข้างเกียง์ได้ช่วยก็สวมได้แต่ถ้าเราโม่ไปช่วยสวมคนข้างเกียงเราตายก่อนเราช่วยใครไม่ได้มันจะพากันจมทะเลทุกทั้งคู่ เข้าใจนะครบ่อแม่ทำไมเราจึงรู้ว่าไม่ปล่อยวางก็นี่ไงมันไม่สว่างสวัยมันมืดมันยังคล้ำอยู่ถึงกลับไม่มืดแต่มันคล้ำ ม, มันไม่สว่างสวัยถ้ามันมีเชื้อนิดเดียวมันจะลามได้แต่ความทุกข์ต่อไปได้ เราต้องรู้สึกตัวเองว่นณขณะปัจจุบัน่ะเราหลงไปปรุงแต่งอะไรหลงเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดกับอะไรหลงพ่อยเข้าไปกังวลกับอะไรเราจะรู้เองเมื่อเรารู้สึกตัวในปัจจุบันเราจะรู้เองว่าเราหลงอะไรอยู่ในใจเราหลงเองเราก็ต้องวางเองใครจะช่วยเราได้พระเราหลงเองเรายึดเองเราก็ต้องวางเอง พอาวางปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมตัติคือมันไม่หลงก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติมันก็หมดภาระทางใจหมดอะไรทุกอย่างเลยมันเป็นอิสระอย่างยิ่งเลยเป็นอิสระอย่างยิง่งไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่อไปเลยอ่ะไม่มีความหนักอกดักใจอะไรเลยไม่มีภาระ ที่จะต้องมาทําความรู้สึกตัวอะไรด้วยเลยเมื่อปล่อยวางหมดเพราะว่าไอการที่พยายามมาเป็นภาระทำความรู้สึกต huh. <Jenny>. ัวไว้คือมันยังไม่ปล่อยวางเดี๋ยวมันก็จะแล่นออกไปเพราะอะไรก็มันยังไม่ปล่อยวางก็ต้องแล่นไปหาในสิ่งที่เราไม่ปล่อยวางคือแล่นไปกังวลใจไม่สบายใจเพราะอะไรเราไม่ปล่อยวางก็ต้องแล่นไปอยู่แล้วเราเลยต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยเพราะอะไรก็เราไม่ปล่อยวางหมดก็ต้องแล่นออกไปอยู่แล้วพอแล่นออกไปอ้าวแล้วเราก็ต้องรู้สึกตัวในปัจจุบันเดี๋ยวแล่นออกไปแล้ว เราก็ต้องมารู้มีความรู้สึกตัวในปัจจุบันก็เพราะว่ามันมีที่จะแล่นไปเราเลยต้องเพียรมีความรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่หมดสิ่งที่จะแล่นไปมันก็เลยมันเลกความรู้สึกตัวในปัจจุบันมันก็แทบจะไม่ต้องทําเพราะว่ามันหมดสิ่งที่จะแล่นไปมันเลยกลายเป็นความรู้สึกตัวอยู่อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันหมดสิ่งที่จะแล่นไปไม่รู้จะแล่นไปไหนที่ไปมันก็ไม่มีที่จะไปหาใครก็ไม่มีที่จะไปไหนอีกมันก็ไม่มี คือมันไม่มีที่ไปเลยถ้ามันมีที่ไปมันก็จะต้องมีความรู้สึกตัวไว้เดี๋ยวก็มีที่ไปอีกก็มีความรู้สึกตัวไว้มันจึงต้องมีเพียรให้มีความรู้สึกตัวเพราะอะไรมันมีที่จะไปแต่ถ้าไม่มีที่จะไปซะมันก็รู้จะไปไหนเพราะมันไม่มีที่จะไปอย่างเราเนี่ยไม่มีที่จะไปเลยเพราะม่รู้จะไปไหนเลยพอถามว่าเดี๋ยวตาจะ มีที่ทไปที่ไหนเป็นที่แน่นอนไม่มีที่แน่นอนเลยสำหรับเราเพราะที่จะไปเราก็ไม่แน่นอนวัดเราก็ไม่มีแล้วมีที่จะกลับไปไหนอะไรไหมเราก็ไม่มีอีกมีแต่อาศัยเขาเรื่อยไปเดี๋ยวพันจานนี่ก็ไปอาศัยรพบุรีอยู่เราเรารู้สึกตัวเสมอว่าเราเป็นเพียงผู้อาศัยอาศัยเข้าไปเลยเราไม่ยึดอะไรเราไม่เอาพระด้วัดนั้นมาเป็นภาระแก่เรา เราก็สบายใจเราก็เป็นเพียงผู้อาศัยที่จะไปเราก็ไม่มีที่จะกลับเราก็ไม่มีปัจจุบันใจเราก็ไม่รู้จะแล่นไปหาใครเราเลยจะไม่ต้องมีความพยายามทำความรู้สึกตัวไว้เพราะมันไม่มีที่จะแล่นไปมันเลยเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นอัตโนมัติหรือเป็นอัตโนมัติที่มันอยู่กับปัจจุบนันโดยไม่ต้องทำความรู้สึกตัว เพ <Elsa. S 2> ราะ <nhưng> มันไม่มีที่จะแล่นไปเมื่อใจไม่มีที่จะแล่นไปมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีความทุกข์เพอาะอ้ทมันแล่นไปนั่นแหละมันคือแล่นไปหาทุกข์แล่นไปหาที่เกาะเกี่ยวผัวพันธ์ใจมันก็เลยเป็นอิสระความเป็นอิสระเป็นสุขในโลกความมีเกาะเกี่ยวผัวพันธ์เป็นทุกข์ในโลกอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้ยกันอย่างเพื่อนอยู่ด้ย ก, ก, กันในควาปรารถนาดีต่อกัน ยังไงก็ให้ทุกน้อยที่สุดก็อจะทิ้งทุกไม่ได้กใกล้ทุกน้อยที่สุดนะทั้งคู่แหละถ้าแล้วป่าถนาใช้ชีวิตคู่ก็ให้มันทุกน้อยที่สุดพออยังหนุ่มอย่างสาวอยู่ป่าถนาใช้ชีวิตคู่ก็ให้มันทุกน้อยที่สุดแต่จะไม่ให้ทุกเลยนะั้นไม่ได้มันเหมือนใส่กำไลข้อมือ สองข้างอยู่ในข้อมือเดียวกันความกระทบกระทั่งย่อมเกิดขึ้นเดี๋ยวก็น้อยเนื้อต่ําใจเดี๋ยวก็งอนไอ้นี่แนะ่มันก็จะต้องประสบกันในชีวิตคู่เดี๋ยวก็น้อยเนื้อต่ําใจเดี๋ยวก็งอนมันก็เป็นปกติเนาะคนมีชีวิตคู่นางยีแปก็เป็นแถววันอ ะ, อะเป็นเรื่องให เห็นเป็นเรื่องปกติก็บเรากันนะแต่มันพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มันก็จะยากแล้วใชอย่างเงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะใจมันมีที่จะแล่นไปเพราะใจไม่มีที่จะแล่นไปมันก็มันก็สิ้นทุกข์เพราะชาติหน้าชาติไหนก็ไปไปทั้งหมดนี่ยไปไปไหนทั้งหมดนี่ยจะถอยหลังกลับไปอดีตก็ไม่ไป ชาติหน้าชาติไหนก็ไม่ม Over e ีที่ไปไปไปทั้งหมดเลยปัจจุบันก็ไม่แล่นไปไหนไปแล่นไปหาใครทั้งหมดอมันก็เลยเป็นปัจจุบันอย่าเป็นปกติธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามีที่จะแล่นไปเว้ยคนต้องเพียรรู้สึกตัวไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้พราะมีที่จะแล่นไปก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไวถ้าไม่มีที่จะแล่นไปมันก็ไม่ต้ไปไม่ต้องมาผูกก็ไมไรแล้วเพราะมันที่แล่นไปไม่มีไปผูกก็ทําไมอ่ะมันก็เหมือนวัวควายเนี่ย ตอนแรกไม่เชื่องไว้เขาก็ต้องเอาไว้เอาอะไรมาปลูกไว้เอาโซ่เอาเชือกเขาปลูก ไ, ไว้กับหลักพุโธพุโธไว้ปลูกไว้กับหลักต่อไปเพรามันเป็นเชื่องแล้วมันไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่มีที่ไปเขาก็เลยเอาเชือกออกจากหลักมันก็ไม่ไปไหนมันก็นอนอยู่ที่ถุนบ้านนอนอยู่ในแถวแถวนั่นแน่มันไม่ไปไหนได้หรอกเพราะมันเชื่องแล้วมันอยู่กับหลักแล้วหลัหลกก็ไม่มีความหมายต่อไปเพราะว่าเขาไม่เอามาผูกแล้วเพราะมันไม่ไปไหนแล้วนแน่ ผมมันไม่ไปไหนเพราะมันไม่มีที่จะไปตอนที่มันมาใหม่ใหม่มันจะหนีเข้าป่าบ้างไปโน่นไปเนี่ยเออผ ม, มไม่มีที่จะไปแล้วเขก็ออกจากหลักเอาเชือกผูกออกจากหลักซะใหม่ใหม่เขก็ผูกหลักไว้ฝึกลิงฝึกม้าป่าฝึกช้างป่าฝึกวัวฝึกควายที่มันยังไม่เชื่องก็ต้องผูกหลักไว้ทั้งนั้นแหละ ต่อไปมันเชื่องแล้วมันไม่รู้จะไปไหนแล้วมันรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ไม่มีที่ไปแล้วต้องไปอี่ตรงนี้เนี่ยไม่ไปไหนแล้วเพราะในไปไหนมันต้องอยู่ในที่ปัจจุบันที่มันอยู่นี่แน่มันไม่มีที่จะไปไหนแล้วเขาก็เลยปล่อยเชือกออกจากหลักไม่ต้องผูกหลักมันก็ไม่รู้มันไม่มีที่ไปเพราะมันรู้จะไปไหนแล้วมันรู้แต่ปัจจุบันที่ปัจจุบันของมันเพราะมันไม่รู้จะไปไหนแล้วไอ้ที่จะไปตอนแรกมันมีที่จะไปจะเข้าป่าบางไปนู่นไปนี่ไปนั่นมะแต่พอมัน ไม่มีที่จะไปม<ๆ>ันก็เลยไม่รู้จะไปไหนเข<ๆ>าก็เลยปอดเชื่อกมันก<ๆ>็เลยเชื่องแล้วมันเกี่ยวเนื่องกัรได้มีรว่างมีที่จะไปกับปัจจุบันอันมมีที่จะไปไมันก็เลยต้องผูกหลักเดี๋ยวมันจะแล่นเองแล้วเดียจะแล่นเองแล้วมันจะแล่นไปไนนไนไน้ต้องผูกหลักอยู่เลยมียายแก่คนหนึ่งเนี่ยภาวนาพุทโธพุโทโธพุโทโธคิดถึงแต่หลานเนี่ยหลานก็มีครอบครัวแล้วก็คิดถึงแต่หลาน ปรากฏเราพุโทโธพุธโทโธเห็นจิตมันสว่างว่าพุ่งกันไปในท้องหลานอา้าวนี่จะไปเกิดเป็นลูกของหลานนี่น่ะเนี่ยเพราะว่าหลานมันท้องวิญญาณที่ไปจับจองในท้องหลานคือวิญญาณเรานี่เองอะ่ะโอ้ย ห, หลานมันก็ยากจนลําบากถ้าเราไปเกิดเป็นลูกของหลานมันกงจะแย่มากเลยออกมาเป็นลูกของหลานที่มันทุกข์ยากลําบากไปเกิดของหลานที่ทุกข์ยากลาบากเราจะแย่มากเลยนะเนี่ย ไปปรึกษาหลวงปู่มัน่นเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกให้ภาวนาไว้พุโทโธพุโทโธพุโทโธตัดให้ขาดอย่าให้มันแล่นไปไปใจมันอยู่กับตัวอย่าให้มันแล่นกลับก็บไปหาหลานต้องรีบทําก่อนที่จะตายเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นปลูกของหลานแกลเลยเร่งภาวนาอย่าแล้วก็ตัดขาดในปัจจุบันหลานก็เลยแทงบอกว่าไอ้ที่มันท้องเนี่ย มันวิญญาณที่จะเข้ามาจองจับจองได้มันแค่วิญญาณวิญญาณนั้นวิญญาณเดียวที่มาจับจองมันถึงท้องขึ้นมาถ้าจับจองแล้ววิญญาณอื่นจะเข้ามาแทนไม่ได้พอวิญญาณนั้นอ่ะไม่มาเข้าได้เหตุใดก็ตามมันก็เลยแท้งไปเพราะเราเคยเห็นนะพวกมางทีเนี่ยก่อนเนี่ยเห็นเนี่ยผู้ประสานก่อนเราเป็นผู้ประสานเนี่ยผู้ประสานหนุ่มหนุสาวบางทีก็ไปขอเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ไปขอไปกลับไปบ้านไปโน่นเพราะผ่านเจดีย์ก็ไปกราบเจดีขอมาเลย อ้าวอยู่ๆไปเอาผีซาตานที่ไหนเข้าท้องมาเนี่ยเราก็ไม่บอกเขาตรงๆแต่ลราลึกในใจอุ้ยไอ้นี่ํามาอยู่ๆเองสามีภรรยาคู่นี้ไปเอาผีซาตานที่ไหนเข้าท้องมาเนี่ยอ้าปรากฏว่าท้องเลยท้องแล้ยท่ทําไงวะเนี่ยเด็กที่ออกมานี่มันผีผีซาตานที่มันตัวร้ายเลยไปขอที่ไหนมาวะเนี่ยบอกว่าไปแวะที่เจดียด์ข้างทางแล้วก็ขอมา โอ้ยอันใชอันนี้มันเกิดมาเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนะเนี่ยแต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะจะเป็นบาปกรรมเอา้าให้บอกให้น เ, เนองทั้งผัวเมียปฏิบัตินะ่เร่งปฏิบัติเข้าภาวนาเยอะหยุดทำความเพียรทั้งกูเลยเร่งเข้าเล่งาาเข้าก็ตุ้นเลยพอเขาเร่งภาวนาเขามากเข้าเด็กมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าวิญญาณมันต่ําว่าพ่อแม่เยอะมันก็เลยแทงไปต้องบอกว่าถ้าพ่อแม่มีบุญบารมีดีปฏิบัติดีวิญญาณ หลๆมันก็เข้าไม่ได้มันก็แทงไปเราเห็นอย่างนี้ตั้งหลายคนข้าใจนะก็ให้มันยังไงก็ตามมันมี ชีวิตคู่มันก็ต้องมีน้ำกับน้ำมันเลื่อยไปอย่างนั้นให้มีใจมันว่างเปล่าใอ้ใจมันเป็นเหมือนมีน้ำปัญหาในโลกนี้ก็ให้มันเป็นน้ำมันอย่างไงให้มันไม่ใช่รวมกันในในร่างกายเหมือนเหมือนแก้วไม่ใช่ว่าในในแก้วมีแต่น้ำมันมันก็จะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นตัวลอยตัวไว้มันจะให้ว่างเปล่าจากน้าน้ำมันไปโดยสิ้นเชิงมัเป็นไปไม่ได้ มันก็เลยต้องให้มีน้ํามารองรับแยกสวดระหว่างน้ํากับน้ํามันไว้อย่าให้ปัญหาเข้าไปถึงใจได้ถ้าปัญหาเข้าไปถึงใจได้น้ำหมดไปเหลือแต่น้ํามันมันไปนทุกอย่างเดียวแถ้าเร า, เราสาประคับประคองไว้งนี้ตลอดไปมันก็จะความทุกข์มันก็จะน้อยลงเข้าใจไหมเจนนี่ ทุกทั้งหลายต้องออกไปจากใจนะไใชรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ไม่ออกไปจากใจนะขอใจนะดีละ อ, อมีอะไรถามไหมอื่นมาไงบ้างยกมีอะไรถามไหมหยกใหม่ไหมไม่มี เห็นก็บ่าหลงก็บ่าอืมไอหลงอย่างเนี่ยโยกพวกนุ่ ม, มสาวไม่ค่อยไว้ใจเว้ยทิงก็ทิงไม่ขาดอืมหายก่อเกี่ยวมางอย่างอ่ะจนถึงแบบนี้จะเราจะกลับแล้วเนี่ย หายแล้วค่ ะ, ะหายค่ะเออดีแล้วตาโตเข้าใจไ้ยล่ะเข้าใจค่ะพูดพูดมาตั้งมานเนี่ยปัจจุตันนี้เข้าใจหมดหรือยังเข้าใจหมดแล้วค่ะคนข้างไม่เชื่อใจ <laughs> อ <laughs> พอจิตมันมีกําลังแล้วอะค่ะคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปพิจารณากายกับจิตอีกไหมคะเอ็มอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันให้มั่นคงค่ะยังพุทโธไว้ยังไว้ใจไม่ได้นะโยค่ะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ค่ะแล้วก็ไอ้คำที่สานที่เราบอกอะจำได้ไหมเมื่อคืนเนี่ยค่ะเออต้องพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ทิฏฐานนะ นิฐานให้รักษาธาตุทุกธาตุขันธทุกขันธ์ต่อสายันธ์เขาว่าให้เป็นปกติเป็นปกติเป็นปกติสารรมชาติตามธชาติอิฐานต่อด้วยก็ได้ว่าให้เป็นสมาริิจิเป็นสมาริจิจะได้เป็นวิชาติจิเป็นอริยมารอริยผลเป็นมรรคทิพานในปัจจุบันหรือให้มันสินกิเลสในปัจจุบันนะ อธิษฐานมันสิ้นกิเลสในปัจจุบนันสิ้นกิเลสในปัจจุบนันในปล่อยให้มันเหลือคาอยู่มันจะเป็นทุกข์มันจะเศร้าอมองอย่าไปไว้ใจมันไว้ใจไม่ได้นะจะอยู่ด้วยความประม า, อาทอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันเ ว, นวนลาหลายครั้งสัิจารณ์ไอแผ่นอธิษฐานที่เราให้ไปนัน่นแหละอ๋อไม่ใครไม่เขียนอ่ะ บางไอจิตทำไมไม่ไปก็ของจิตนี่ก็ ย, ย, ย, ย, ย, ยังมีก็ที่เดินจงกรมอะไรเนี่ยมันก็ยังมีมันก็ยังมีติดคิดมีฟุงงซ่านอะไรค่ะแต่ว่าที่ไปละความพปียบบาทอะไรเงี้ยจินว่ามันก็สําหรับตัวเองมันก็มองตรงนี้แล้วก็ก็ละไปได้มากค่ะแต่ว่าแล้วก็ยังสงสัยว่า ถ้าอย่างเนี้ยไอเรื่องพิจารณาธาตุขันยังยังต้องพิจารณาต่อไปด้วยหรือเปล่าคะอมันก็ดูที่ว่าเรายึดอะไรอยู่อ่ะยึดไหมถ้ายัางยึดอยู่กมันยังแลดไปได้เรื่อยแลดไปหาสิ่งที่ยึดได้เรื่อยเราก็ต้องพิจารณาให้มันขาดออกจากสิ่งนั้นเน่ยค่ะแลดไปหาลูกแลไปหาสามีภรรยาแลดไปหาครอบครัวแลดไปหาคนนั้นคนนี้ที่เรารักเรา่วงใหเกาะเกี่ยวพัวพันทั้งรัก ท, ทั้งชังอะมันก็ต้อง พิจารณามากๆถ้าอย่างเงี้ยเพราะใจยังมีที่แล่นไปเพื่อว่าการพิจารณาเพื่อมันเพื่อใจมันหลุดจากที่แล่นไปอพอมันหลุดปุ๊บมันก็จะไม่แล่นไปแล้วการพิจารณาก็แล้วแต่ว่าเราไปอุบายยางไงที่เราจะไม่แล่นไปแล้ว่เราเนี่ยฉลาดในการพิจารณาเนี่ยมันก็ไม่ต้องเหมือนกันเราก็จะไม่มีที่ต้องแล่นไปมันการพิจารณาแล้วแต่ว่าสติปัญญาของเจ้าตัวนั่นแหละ จะพิจารณาอย่างไงจะทำให้เราไม่เล่นไปกลับไปหาอดีตในสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจวุ่นวายใจอนาคตที่กังวลใจในปัจจุบันก็ให้ไม่หาไม่แล่นต่อไปกาะเกี่ยวผัวพัน์ถ้าเรามีแล่นไปยังไงเราก็ต้องรู้แต่ละคนมันแล่นไปหาใครเล่นไปหาสิ่งใดเรามีปัญญาเราก็ต้องพิจารณามันขาดจากสิ่งนั้นเย่างเช่นเนยยายแก่ที่ ท, ที่มัน จิตมันแล่นไปหาหลานน่ะแล้วมันก็นจะไปเกิดเป็นลูกของหลานน่ะแกก็มีปัญญาจะตัดขาดอันนี้น่ะเราต้องมีปัญญ า, างั้นตัดขาดจากทุกสิ่งก็รู้ว่าเอานี้ตัดขาดจากทุกสิ่งแล้วมันก็นจะรู้เนี่ยพอรู้ตั ว, วตัดขาดจากทุกสิ่งแล้วมันไม่แล่นไปแล้วมันก็เลยเป็นปัจจุบันเองเข้าใจไหม <Ranger. S 1> อืมนี้เราแล่นไปหาอะไรไปบ่อยเหรอเราแล่นไปหาสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชังล่ะถ้าเราหาไปแล่นไปหาสิ่งที่รัก เราก็ต้องพิจารณาให้ตัดขาดไ ด, ได้จากสิ่งที่เรารักอะ่ะเหมือนยายแก่ที่แกตัดขาดอะ่ะเราอาจจะมีวิธีอื่นแต่ละคนนั้วมันมีวิธีไม่เหมือนกันจะทํายังไงตัดขาดจากสิ่งที่เราไลไปหาคนที่เรารักได้ในคนไหนออกกลัวตายกลัวตายกลัวตายห่วงสุขภาพร่างกายของตัวเองกลัวตายเป็นห่วงกลัวนั่นคลวนี้หมอบอกเดี๋ยวหมอบอกว่าเราจะตายหมอบอกเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไป็นห่วงกลัวตายไอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณามากๆ แต่เราไม่กลัวเรามีปัญญาของเราอ่ะเฮ้ยเราตายแล้วเราก็พ้นทุกข์แหละเรายังไม่ตายเนี่ยเราต้องทุกกับมันนะทุกข์ไอสังขารร่างกายเนี่ยสังขารกายสังขารจิตเนี่ยพอเราตายแล้วเราก็หลุดพ้นจากสังขารกายสังขารจิตเราไม่เอาทั้งหมดเราไม่เอาอะไรไอจิตปรุงแต่งเราก็ไม่เอาเราไม่ยึดจิตปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของของเราเราไม่ยึดร่างกายที่เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราพร้อมทจะอิสระลาทิ้งร่างกายที่เป็นกายเนื้อ และการกิจ ต, ตังขานเหลือแต่รู้ว่าไม่หลงและปัจจุบันอยู่กับรู้ที่ไม่หลงแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าตายแล้วแต่รู้อย่างเดียวเหลือแต่รู้อย่างเดียวรู้ที่นม่หยังเวคจริงหมดไม่เอาไว้สุจริตเหลืวแต่รู้ มันก็จะรอดทนจากทุกสิ่งมันยังมีร่างกายสังขารอยู่มันก็เป็นทุกข์สังเกตเนี่ยจะต้องทุกข์ก็ต้องเจ็บป่วยต้องนู่นต้องนี้ต้องพาตัวไปหาหมอเมื่อไหร่หมดตินถึงสังขาร น, นั่นเนี่ยึงพ้นจากทุกข์จริงจริ เราไม่เราไม่วงใหญ่สังขารเราเราไม่วงใหญ่พราะเราไม่วงใหญ่สังขารสั่งอื่นเรื่องเล็กหมดเลยพราะเราปรารถนาพ้นจากสังขารโดยสิ้นเชิงเมื่อเราพ้นจากสังขารแล้วเราไม่กาเกี่ยวบพันสิ่งใดแล้วอย่างอื่นไม่มีความหมายพอสังขารก็พร้อมที่จะไปหมด แ, แล้วก็ไม่มีความหมาย่อจเราก็พี่นางเราไม่ง่ายไงยเวลาเราพี่นางง่ายคือเราไม่เอาแล้วทุกอย่าง จะไปเกิดใหม่เราก็ไม่ไปแล้วถ้าเรายึดอีกเราก็ต้องพร้อมจะไปเกิดใเป็นทุกข์อีกถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันจิตไปแล่นไปมันก็รู้แล้วว่าจิตไม่แล่นไปหาใครมันก็ไม่มีเรื่องเราจะทุกข์เราไปเกาเกี่ยวพยายามจะเอาจิตดีจิตดีจิตไม่ดีไม่เอาเราไม่มีล้จะเอาจิตดีจิตไม่ดีเดี๋ยวทำไมจิตเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวทำไมจิตหนูเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไมจิตเป็นอย่างนั้นจะเอาแต่จิตดีเราไม่เอาทั้งนั้น่ะ จิตดีไม่ดีมันมันเป็นไอ้กายโปร่งแสงเรารู้อยู่แล้วเราไม่เอามันน่ะเราจะเอาทำไมเรารู้ว่าจิตดีไม่ดีเป็นกายโปร่งแสงเราไปเอามันทำไมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะออกจากมันไม่ได้แทนกันไปเอามันน่ะเพราะไอ้จิตดีเอาจิตดีจิตไม่ดีไม่เอาจะเอาแต่จิตดีๆอยู่แค่นันน่ะไอ้นี่มันกายโปร่งแสงไปเอานะทไมจิตดีไม่ดีเพราะไอ้จิตเป็นกายโปร่งแสงไอ้กายเป็นไอ้กายนี่มันกายทึบไอ้จิตมันกายโปร่งแสง แต่เราเอาไอ้จิต ด, ดีเราก็เลยต้องอยู่กับไอ้ไอ้กายโปรงแสงแต่นี้เราออกไม่ได้แต่นี้ยลำบากแล้คนที่เอาจิต ด, ดีจิต ด, ดีเนี่ยเป็ น, เ, ปนเราพูดยังไงก็ไม่ฟังเอาแต่จิต ด, ดีจะเอาแต่จิต ด, ดีเนี่ยจะเอาแต่จิตที loving, ่โปร่งโล่งเบาวสบายว่างจิตโปร่งโล่งเบาสบายว่างนะพอจิตไม่ดีอุดอัดขับแคลนใจวุ่นงานวุ่นงานวุ่งานเนี่ยเราบอกให้ทิ้งไปให้หมดทิ้งไปให้หมดเน่ยเดี๋ยวมันจะไปเอาไอ้ตัวจิตเนี่ยเพราะไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวกายมันเป็นตัวจิตทสังขาร พอเอาจิตปุ๊บมันจะห่วงใยถึงกายเลยตอนเนี้ยพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระงยะสุดท้ายเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสติแตกอะสติเหตเป็นบ้าเป็นหลังกันตั้งหลายคนนะก็ อ, อย่างั้นแหละาไม่ได้รไปอถ้ามันหลุดพ้นจากจิตจะม่ได้หลุดพ้นจากกายด้วยถ้าจะเอาจิตดีมันติดแน่นอนอยู่แล้ว เมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้เราจึงต้องไม่เอาอะไรจะเอาจิตดีจิตดีก็ทิ้งไปจิตไม่ดีก็ทิ้งไปเพราะเป็นจิตหมดจิตดีมันก็เป็นจิตจิตไม่ดีก็เป็นจิตคือไม่เอามันเข้ามันก็ดิ้นรนผักใสจะเอาจิตดีเอาตอนนี้ก็เอากายโปร่งแสงแล้วเอากายจิตแล้วเราไม่เอาสิง่งใดสักอย่างจิตดีไม่ดีไม่ไมสนใจเราก็อยู่กับปัจจุบันเราเลื่อยไปมีารู้กตัวอยู่กับปัจจุบันเลื่อยไป จิตดีไม่ดีไม่สนใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวอ้กายโปร่งแสงเราจะเอามันทำไมเพราะว่าเราจะจ ะ, จะหลุดพ้นจากมันเราทำไมจะต้องไปเอามันไว้อะเราไม่เอาไว้ไม่สนใจจิดีไม่ดีก็ไม่สนใจแล้วไม่สนใจก็ไปยึดถือเลยใจมันก็เลยเป็นปัจจุบันไม่ต้องไปพยายามทําให้เป็นปัจจุบันมันอยู่ที่เราเลยในปัจจุบันนี่เลยอ่ะ S <S เราวางแล้วเราก็รู้วางแล้วเราไม่วางเราก็รู้เราไม่วา ง, เร า, เ, ราวางเราไม่วางอะไรมันก็ไอ้นั่นน่ยมันติดเราเราติดมันมันไม่ติดเราเหรอกแต่เราติดมันตอนนี้เราก็ออกจากมันไม่ได้แล้ววางเราไม่วางอะไรนะตอนเนี้ยเป็นเรื่องของตอนเนี้ยพอเราไม่วางปุ๊บเราอยากจะติดอยู่ในกายเนื้อมัอยากตายแต่มันถูกบังคับให้ต้องออกมาเพราะเราติดในยู่ไข่แต่ร้ายที่สุดคือพอเราไม่วางอ่ะ กายมันไปยึดไม่ได <Yeah. S 1> ้ไอ้จ <minder lur ks> ิตเป็นตัวยึดไอ้จิตมันเลยหลับทุกตัวเนี้ยมันก็เด็นตัวทุกแต่ฝีมือเรายึดเพราะกายมันไปยึดอะไรไม่ได้หรอกมีจตจิตเป็นคนไปยึดเพราะจิตเป็นคนไปยึดจิตก็ต้องทุบเองจําไว้นะพอจิตมันเป็นยึดจิตเป็นคนทุบเองกายมันไปยึดอะไรไม่ได้เพราะกายมันเป็นมันปรุงแต่งไม่ได้ไอ้ตัวปรุงแต่งได้คือตัวจิตงั้นกายไปยึดอะไรไม่ได้ เันไอ้ตัวไอ้ตัวยึดมันก็จะเป็นทุกข์ทุกเองแล้วเวลาไอ้จิตเนี่ยมันมันจะทําบาปกรรมแล้วสั่งกายไปทำบาปกรรมไปตับมันปรุงแต่งให้กายไปไปทำบาปกรรมตามกิเลสที่ปรุงแต่งตัวใครเป็นตัวปรุงแต่งตัวจิตเป็นตัวปรุงแต่งให้กายไปทําตามเนี่ยตัวรับโทษบาปกรรมก็เป็นตัวจิตเพราะกายมันดับกายมันต้องเน่าแต่จิตมันไม่ดับหรือซเนี่ยไอ้ตัวที่รับโทษบาปกรรมเลยกายเป็นจิตต้องไปรับโทษบาปกรรมแล้วต้องเป็นทุกข์เอง มันเราต้องทิ้งให้มันหมดอจิตดีไม่ดีไม่สนใจเพราะเราจะออกจากมันอ่ะทนเลยไม่พร้อมจะออกมาอ่ะเรายึดทุกอย่างเลยตอนเนี้ยไอจิตจะเป็นตัวยึดตอนเนี้ยทุกจริงๆไงกระเด็นออกมาทุกจริงๆเราเห็นโทษอย่างนี้เราอ่านขาดเลยโอ้เราเห็นในตาของเราเพราะนั่นมันเพราะอย่างงี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างงี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างงี้เป็นอย่างนี้เราเลยตักเหตุตรงนี้หมดเลยจบเลยแค่เนี้ยพอไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยจิตดีก็ไม่เอาจิตไม่ดีก็ไม่เอา <pouch. S 2> ไม่เอาต evet. ัว <Naj> จิตที่อย่างเดียวไม่ยึดจิตที่อย่างเดียวมันก็เลยไม่ยึดทั้งหมดเพราอหลุดจากจิตได้หลุดหมดเลยเพราะว่ามันมาเป็นพุทธะมาเป็นผู้ที่รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเพราะหลุดจากจิตก็เลยหลุดจากทุกสิ่งเลยเพราะว่าพอหลุดจากจิตแค่นั้นแหะไม่มีตัวตนเลยพอไม่มีตัวตนพวกมันเลยไม่มีตัวตนไปยึดอะไรเพราะไอ้ตัวจิตจะเป็นตัวยึดพอเราจังไม่หลุดจากจิตมันก็เลยเอาจิตไปยึดทั่วหมดเลยไอ้กายยึดอะไรไม่ได้หรอกไอ้ตัวจิตเป็นคนยึด เราเข้าใจได้เหตุผลของในใจของเราตื้นๆแค่นี้ยเราก็วางได้แหละแต่สําหรับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าม่ยอมวางถ้ายึดอะไรอยู่ท่านก็ต้องพิจารณาใหใจมันวางเราก็อา่านใจของเราขาดเองว่าเรายึดอะไรละทําไมเราไม่วางติดรักติดชังอะไรแล้วไม่วางติดหวงใยกังวลอะไรแล้วไม่วางถ้าไม่วางก็ต้องหมั่นเล่งพิจารณาถ้าเดายึดายนอกเนี่ยเราต้องยึดตัวเราแน่นอนอยู่แหละาะตัวบอกเหตุถ้าเรายึดภายนอกเราต้องยึดตัวเราเพราะเราตัวเราเนี่ยยึดไยนอก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจะทุกทซ้ำซ้อนเลยทุกทั้งข้างนอกและทุกทั้งตัวเราด้วยเวลาหมอบอกว่าเราเป็นเราเป็นเราใกล้าตายหรือเปไ็นอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็จะทุกข์กับตัวเราด้วยแล้วเราก็จะทุกข์กับข้างนอกด้วยเพราะข้างนอกเราก็ไม่วางแล้วตัวเราเราก็ไม่วางเราเลยทุกข์สองชั้นเนี่ยมันเหตุผลตื้นๆเลยเราเราเข้าใจเหตุผลตื้นๆเนี้ยเราก็วางเพราะเราไม่อยากทุกข์อีกแล้วไม่เอา เราเลยวางไปเราเลยวางอีกอย่างเรามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นสมมุติคือเราจะมีเท่าไหร่แล้วก็เป็นสมมุติหมดเราเคยมีมาหมดแล้วตำแหน่งลาบยศสมบัติพัฒฐานบ้านช่องครอบครัวสายสะพายเครื่องลาดเรามีมาจนหมดแล้ว แต่ทำไมเราไม่ยึดมันเหตุที่เราไม่ยึดมันไม่มีค่ามีความหมายต่อใจเราก็เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องจากทุกสิ่งไปแล้วไม่ช้าหรอกเราก็ต้องจากทุกสิ่งไปเราแบกสิ่งที่เรามีไปทั้งหมดนั้นนะไม่แบก็ไม่สามารถแบกได้ไม่มีใครใ น, นโลกนี้แบกได้มันเป็นของสมบัติของโลกที่เรามาหาเอาในโลกนี้ เดี๋ยวเราก็ต้องจากทุกสิ่งไปเพราะมันเป็นสมบัติของโลกแ้ะแบกเข้าไปไม่ได้ เ, เราเออกไปไม่ได้ทุกอย่างที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราออาไปไม่ได้ตำแหน่งลาบยศเครื่องลาบสายสพายเราได้จนสายสูงสุดหมดแหละครอบอครัวต่างๆเราก็มีแต่เราแบกเข้าไปไม่ได้ถึงเวลาที่สุดต้องจากกาันต้องพัดผ้าจากกันไปต้องจบลง ถึงจะรักกันอย่างไรก็ตามแบกเข้าไปด้วยไม่ได้ถึงจะหวงไว้ยังไงก็ตามก็ขนไปไม่ได้ยิ่งเวลาละไปงานศพเราเห็นเครื่องราบที่เขามาประดับไว้ไว้ที่หมอนหน้าโรงศพแต่ตัวศพมันเน่าอยู่ในโลงโน่นะเราเห็นเราตกตะลึงเลยโอ้โหนี่มันสมมติทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นของของคนตายจริงคนตายจะต้องขนไปไว้ในโลง มันไม่มาอยู่ข้างหน้าหน้าโรงนี่หรอกแล้วไม่มีใครอ่ะรักกันปานจะกืนกินเข้าไปนอนในโรงด้วยไม่มีมาคนเดียวก็ไปคนเดียวเรามองเห็นตัวจะทําความจริงไนงะโอ้ทุกอย่างเลยเรามองเห็นเป็นสมมุติทรัพย์สินเงินทองเป็นของสมมุติ เวลามีเราก็ใช้ไปตามสมมุติเราไม่ติดมันทุกอย่างเป็นของสมมุติจริงๆไม่ใช่ลองดูสิเงินที่คนลุ่มหลงมากมันก็เป็นกระดาษที่เอามาปั้มตาวันดีคือดีประเทศนี้ก็ประกาศว่ายกเลิกค่าของเงินประเทศนี้ประเทศยุโรปมาก่อนเนี่ย ไม่ได้ใช้เงินยูโรประเทศนั้นก็ใช้เงินของตัวเองประเทศนี้ก็ใช้เงินของตัวเองวันดีขึ้นดีก็ประกาศว่าเงินของประเทศนั้นเงินเของนี้นี่ยกเลิกแล้วเปลี่ยนเป็ใช้เงินยูโรแล้อกรดาษแผ่นนั้นมันก็หมดหมดความหมายไปอย่างพม่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ที่แม่สอดเขาค้าขายพลอยกันมีคนเก็บเงินพม่าไว้เต็มไปหมดเลยไปกระสอบกระสอบวันนีขึ้นดีพม่าประกาศยกเลิกเงินอะไรเงินจัดของเขานีเนี่ยเลิกหมดเลย คนไทยมีเงินเพระาะว่าไปกระสอบกระสอบต้องโยนทิ้งหมดเป็นกระดาษเป็นกระดาษเราเผาเล่นได้หมดเลยเพราะอะไรมันเอากระดาษเราปัม๊มมาพิมพ์เป็นรูปร่างนั้นรูปร่างนี้แล้วมาสมมติกันว่านเนเีนเนะ่เป็นเงินของประเทศนั้นเป็นเงินของประเทศนี้มันคือกระดาษนี่เองอ่ะแต่เพียงแต่ว่าให้มาให้ค่ากันหน่อยให้มันแตกต่างการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้แต่จริงจรมันคือกระดาษแต่เราก็ติดสมมุติกระดาษ เครื่องลาดก็ เ, เอาเอาผ้าสีนั้นสีนี้มาเย็บแล้วก็เอาโลหะมาปัมป๊มปัมป๊มไปั๊มปั๊มให้เป็นรูปนั้นเรื่นี้เป็นเครื่องลาดไปหมดทุกอย่างเนี่ยเราเห็นเป็นของสมมุติหมนเดี๋ยวก็พัดผ้าจากกันไปหมดแล้วเราเลยไม่ติดอะไรสักอย่างเดียวเอยเราคิดง่ายๆของเราเนี่ยแต่คน อ, อื่นเราบอกแล้วมันไม่รูง่ายเปล่า ทุกคนก็ต้องคิดให้เป็นเน่ยดี๋ยวมันจะต้องตายแล้วแต่ทำไมไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ล่ะเดี๋ยวทุกคนต้องตายหมดในที่นี้ไม่มีอไเหลือหรอกคนในโลกนี้ก็ต้องตายหมดะจะไปจึงไปยึด น, นู่นยึดนี่เพราะว่าเราตายแล้วไม่เห็นมีใครไปอยู่ในโลกกับเราด้วยเลยวันนั้นเรายังนึกขำอยู่ในใจเฮ้ยบ้านสร้างก็อย่างดีไปอยู่บ้านเช่า ทำไมเขามาอยู่บ้านบ้านของเขาเนี่ยบ้านหลังอุตสาวเศร้าไม่ดีอุย้ยสามีเขาผูกคอตายในห้องน้ําแม้แต่จะเข้าห้องน้ายังไม่กล้าเข้าเลยกลัวกลัวผีอีตอนอยู่รักกันป่าจะคืนกินพอสามีไปผูกคอตายในห้องน้ําำต้องทิ้งบ้านเลยอ่ะไปเช่าบ้านไปเช่าบ้านคนอื่นอยู่เนี่ยเราเห็นแล้วอู้ขำจริงไหม เนี่ยมันของสมมติทั้งนั้นพอสามีผูกคตายในห้องน้ำบอกว่าจะอยู่ได้ไงแม้แต่จะเข้าออห้องน้ำยังเข้าไม่ได้เลยจะเข้าห้องโซเข้าห้องน้ำยังเข้าไม่ได้เลยกลัวผีหลอกโอ้ยเป็นสมมติจริงจริงเรอแต่ถ้าเวลาลุ่มหลงไม่ลุ่มเป็นไงลุ่มหลงกันหัวปากหัวปจเป็นทุกข์รปรสตรมันทุกข์จริงจริงทุกทุกทุกทุกทุก ใครรุมหลงใครกระทุกเน่ยใครไม่ลุ่มหลงคนนั้นก็พ้นทุกข์ไปตรงนี้มันตัวใครตัวมันแหละพระเจ้าก็บอกว่าเราตถาคตได้แต่เพียงบอกสอนบอกแล้วไม่เอาก็เรื่องใครเรื่องของมันเหมือนกับเราเปรียบเหมือนเรายืนบนพระเจ้าตัดเราเหมือนกับยืนอยู่บนทางหลายแพ้งอ่ะแต่คนมาก็อทางนี้อย่าเดินเลยอย่าไปเลยมันทุกข์ทางนี้อย่าไปเลยมันเป็นทุกข์ทางนี้ไม่อย่าไปเลย คนไทยคก็เลือกไปเดินแต่เราคนก็เลือกไปทางทางนู้นทางนี้ทางนั้นทางนี้อืน้อยคนนักที่จะเลือกสวัสดทางนี้คือทางพนทุกไปทางนี้น้อยมากเลยที่จะเลือกเอาทางพ้นทุกในปัจจุบันแต่แม้แต่เลือกเอาทางพ้นทุกในปัจจุบันแล้วพวกก็ยังว่าผู้ที่เดินไปถึงปลายทางอ่ะกลับมีน้อยหน่อยมีน้อยนะมันบอกว่านรกสวรรค์เนี่ยติดผ่านเลือกเองได้ ว่จะเลือกอะไรเลือกเดินทางไหนมันก็อยู่ที่เราแหละอยู่ที่เราเลือกมันก็อยู่ตรงที่ใจนี่แน่ที่มันยึดกระสินยึดในปัจจุบันนี่แน่ถ้ามันยังยึดอะไรอยู่มันก็จะแล่นไปสังหาที่เรายึดในแน่มันจะแล่นไปอย่างแน่ถ้าเราไม่มีอะไรจะยึดแล้วมันก็จะไปแล่นไปไหนเนี่ยมันก็เป็นการรู้สึกตัวอัตโนมัติอยู่กับปัจจุบันอย่างอัตโนมัติไม่ต้องพยายามทําความรู้สึกตัวแต่มันมีที่จะแล่นไปมันก็ต้องมีหลักไว้ที่ฐานไว้ต้องมีหลักพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไวเพราะมันย มันเลยต้องมีหลักเอาไว้เดี๋ยวจะไปเกิดเป็นลูกของเขาเดี๋ยวจะไปเขาไม่มีโอกาสจะ เ, เกิดเ ป, ป็นคนไปไปเกิดเป็นลูกของเขาไม่ได้เด็กก็จะไปเกิดเป็นหมาในบ้านเขาอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนโตไทพรามเนี่ยไปเกิดเป็นหมาในบ้านลูกชายเงี้ยในสมัยพุทธเจ้าท่านเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดในบ้านเป็นหมาในบ้านของลูกของหลานเพราะเขาไม่พร้อมที่จะที่จะมีลูกแล้วเราก็ไม่พร้อมที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์บุญไม่พอมันก็เลยไปเกิดเป็นหมาในบ้านเขา พุทธเจ้าเตือนห้ามฉันเนื้อหมาไงห้ามฉันเนื้อหมาบ้านเพรเนื้อหมาบ้านก็คือนีพ่อแม่พี่น้องนี่เนะีพ่อแม่เนี่ยจิมรักลูกหวงลูกหวงลูกมันก็เลยมาเกิดเป็นหมาบ้านเลยห้ามกินหมาบ้าน ห, านาหา้ามฉันอาภะเขาาหมาบ้านมาถวายห้ามฉันนี่เนี่ยมันมั น, นมันดูได้ในปัจจุบันเลยอะ่ะ ว่ามันมีที่จะไปที่เก่อเกียวไหมมันก็จะแล่นไปเรื่อยเลยต้องอาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักไว้เพื่อไม่ให้แล่นไปหาที่เกาะเกียวแต่คนไม่มีที่เกาอเกียวมันก็ไม่มีที่จะแล่นไปจริงๆมันไม่มีที่จะไปพระบวชใหม่ก็ถามเราหลงตาคิดจะกลับไปไหมเนี่ยคิดจะกลับไปหาครอบครัวคิดจะกลับไปรับชะกาอะไรไหมอุ้ยเราเป็นคนแก่แล้วใครจะเอาเรากลับไปไม่มีงานทําอะไรล้วก็แก่แล้วใครเขาจะเอาไม่มีแล้วเราไม่มีที่จะกลับไป เราเป็นคนแก่แล้วแล้วที่จะไปไหนอาจารย์เดี๋ยวออกพาจะไปไหนเออเราก็ไม่มีที่จะไปใครนิมนต์ไปไหนเราเห็นแก่สมเห็นความสมควรเห็นแก่ความจําเป็นเราก็ไปตามที่เขานิมนต์เอาแล้วอาจารย์ไม่ไม่มีอะไรเป็นที่ปักหลักเลยฮะไม่มีอ่ะเราตายที่ไหนก็ที่นั้นแหละ เราสอนไปเรื่อยไปเรื่อยในมนต์ไปเรื่อยเราเราตายตรงไหนก็คือตรงนั้นไงคือที่จบเรายังไม่ตายเราก็ไปเรื่อยไปใจเราไม่มีที่จะไปเลยวะเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราไม่มีที่จะไปเราเลยไม่ต้องเพียรที่จะเอาหลักปากไว้เพราะเราไม่มีที่จะไปเพราะเราไม่ปีที่จะไป เราก็เลยกลายเป็นอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นปกติที่เราไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรมากมายมันก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะไม่มีที่จะไปคนไม่มีที่จะไปมันก็ไม่มีไม่ต้องเอาหลักปักไว้แไมหนไปเอาหลักปักว่าไม่นไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่จะไปมันก็เหลือแต่ว่ารอวันตายแต่ยังไม่ตายก็พูดไปเถอะยังไม่ตายก็พูดสอนไปพูดไปเพื่อยังพอมมีประโยชน์ ขออย่างเดียวขอมันก่อนตายมันเสียงยังพูดขอพูดได้เสียงพูดไม่ได้เสร็จแล้วก็หมดความหมายมั น, ม, นมันก็ใช้งานไม่ได้ไแค่นั้นแหละเราไม่ได้คิดอะไรมากมายตอนนี้ยพอทุกอย่างก็จบหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราเราไม่คิดไม่คิดจะยึดอะไรไม่คิดจะแบกอะไรไปเราไม่เห็นมีอะไร มันยากที่ผููสอนกันเนี่ยทำบ้าจริงๆไม่ยากมันไม่ยากคือใจไม่มีที่จะไปมันก็พ้นทุกแล้วคนเราทุกคนนะทุกคนเลยฮะไม่มีที่จะไปมันก็พ้นทุกแล้วมันไม่ยากก็ไม่ต้องไม่ต้องพยายามเอาหลักปักไว้ไม่ต้องพยายามที่อะไรไอ้ที่มันไปยึดอยู่ต้องเพียนเพียนพิจารณาเพื่ออะไมันละอย่างเช่นว่าเราไปยึดอะไรยึดยึดกันไว้ยึดคู่ครองกันไว้ท่านก็ให้พิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องพัดพลาดจากกันไปเดี๋ยวก็ต้องตายเน่าเปิดบยูพังจากกัน เกมาในชาตินี้เป็นเพียงสมมติคิตอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็ต้องพัดพลาดจากกันไปต้องพิจารณามันเนาเป่วยูุพังไว้ต้องพิจารณาพิจารณาซ้าๆซ้ๆมันยิดอะไรกันนักหนาลุ่มหลงอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็ต้องพัดพลาดจากกันไปเดี๋ยวต้องเน่าหมดก็ต้องพิจารณาเขาซ้ําเขาซ้ําเขาซ้าเขาจนใจมันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นใจมันก็เลยไม่ไม่แล่นไปหาเขาเพราะเดี๋ยวมันจะพัดพลาดจากกันไปอพอเราไปเกียดเขาเกลียดใครนักหนาไม่ยอมไม่ยอมที่จะละจะเลิก ไปเกลียดเขานักหนาแทนเคลืองค้างขาไว้ในใจก็ต้องพิจารณาเขาพิจารณาเข้ า, า, า, ขาอทุกเมตตาครับมากเมตตาเขาเมตตาเขาเมตตาเข า, าเขาหมือนกับเมตตาเราเราก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเราเั้นเราไปเกลียดเขาทำไมเพราะเราไม่ไม่อยากให้ใครเกลียด เ, าเราเลยเราไม่อยากให้ใครโกรธเราแล้วเราไปโกรธเขาทําไมอืมวันเราที่ว่าเราดีแต่พิจารณาเขา้าเราเนี่ยไม่ใช่ดีกว่าเขาเหรอก เราในยุ่งที่สุดวุ่นวายที่สุดเราก็พิจารณาเขาพิจารณาตัวเราเนี่เราพิจารณาว่าตัวเราดีคนอื่ไม่ดีมัก็มันก็แค้นอยู่แ น, น่เนี่ยมันเราก็ต้องพิจารณาอย่างไรทําไม่เราเนี่ยไม่แล่นกับไปหาเขาเพราะเราเกลียดเขาก็แล่ไปหาเขาเหมือนกันรักเขาก็แล่นไปหาเขาถ้าเกลียดเขาไม่ชอบใจเขาพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาเมตตาเป็นหลักเมตตาต่อกันนี่แง่ใดแง่หนึ่งพิจารณาเมตตามากมันก็ไปไม่ไม่เป็นเมตตาเมตม่ําเขา ให้มีเมตตามากๆมันก็เป็นพี่เมตตาเขาถ้ารักเขามากๆก็พี่นายเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็พี่นายอย่างเนี้ยรุ่มหลงแรงมากก็พี่นายเห็นว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมีอะไรยึดบ้านถือบั่นได้อารมณ์หลงร่างกายมากเป็นห่วงร่างกายนี้ก็เหนพี่นายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงพี่นารักจิตมากอย่าเจ้าแต่จิตดีๆจิตดีจิตไม่ดีไม่เอาลังเกียด แต่จิตดีๆจิตไม่ดีรังเกียดไม่เอาเราก็พิจารณามากๆเข้าว่าจิตมันไม่เที่ยงยึดไม่ได้เอ้าพอมาเห็นหมดความจริงหมดนี้มันเลยไม่มีที่แล่นไปไม่เอาอะไรไปเห็นว่าอะไรจิตจะแล่นไปหน้ายึดสักอย่างเดียวมันก็เลยไม่ต้องไปยึดอะไรเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ายึดก็ต้องพิจารณาเข้าแจะไปอยู่เฉยๆไม่พีจรนาลอยไปลอยมามันพ้นทุกไม่ได้เพราะมันยังยึดอยู่ พอติ้ยึดปุ๊บมันก็ไม่มีที่จะไปมันก็เป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องพยายามเพียนทําไม่ต้องเพียนที่จะรักษาปัจจุบันอะไรไหมเพราะมันไม่มีที่จะไปเนี่ยความพุทธุกมาเป็นแบบง่ายๆตรงไปตรงมาเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้สลับซับซอ้อนอะไรเลยตรงไปตรงมาง่ายๆไม่มีที่จะไปมันก็ไม่มีที่จะต้องมาเอาหลักปักไว้รักษาใจอะไรมันก็ไม่มีไมท่ทุกอะไรแต่ยังมีที่จะไป ไปกาะเกี่ยวผัวพันสิ่งใดมันก็ต้องมาพิจารณาเข้าเพื่อไม่ให้มันไปหาสิ่งนั้นไปก่อเกี่ยวผัวพันสิ่งนั้นยึดไปนอกก็ต้องพิจารณาไปนอกตัวมันไปอย่างไงพิจารณาตัวเราเข้าเห็นว่าตัวเราเที่ยงหลือมีตัวเราไปตัวเราจะแบกตัวเราไปยึดอันอะไรได้อย่งไรเดี๋ยวตัวเราก็ต้องจากไปแล้วมัจะแบกตัวเราไปยึดอะไรทำไมก็เดี๋ยวตัวเราก็จะต้องดับไปหมดเราก็พิจารณาเข้าพิจารณาตัวเรามากๆจนทั้งไม่เห็นว่ามีตัวเราจะไปยึดอะไรได้นันมันก็สิ้นยึดไป พอที่ยึดไปปุ๊บมไม่มีใจไปไหนไม่มีตัวใจจะเล่นไปไหนมันก็แค่นี้นะตรงไปตรงมาแต่ถ้ายังยึดมันต้องอยากหน่อยต้องมันไม่ น, า, า, นา่งพีนารณาแติที่ยึดเสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องไม่ต้องพิจาราอะไรมันก็อยู่แก่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันถ้ามันหลงไปมันก็แวบๆเป็นข้างข่าวก็รู้สึกตัวขึ้นม า, า ม, ม, มันก็หลงไปแวบๆเป็นข้างข่าวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเสร็จแล้วมันไม่มีมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันก็ไม่หลงอีกก็รู้ว่าไม่หลงต่อไปมันก็เห็นว่าเห็นโทษว่า โอยทุกครั้งมันหลงทีไรมันเป็นทุกทุกทีเลยทุกครั้งที่มันหลงไปเป็นทุกทุกทีมันก็เลยไม่รู้จะหลงเมืไมให้เป็นทุกวะอยู่กับปัจจุบันตัไปเลยมันจะได้ไม่ต้องหลงให้เป็นทุกเพราะหลงที่ไรเป็นทุกทุกทีมันก็เข็ดกันทุกเออแต่นี้มันไม่ปล่อยก็ง่ายๆแบบนี้บางทีก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเรียกว่าเห็นโทษเป็นโทษของความหลงหลงที่ไรเป็นทุกทุกทีหลงที่ไรเป็นทุกทุกทีเออมันก็เลยไม่ปล่อยให้มันหลงเพราะว่าถ้าหลงอะไรก็เป็นทุก ตอนนี้วิธีถ้าทำไงให้ไม่หลงล่ะเพราะรู้ว่าหลงเป็นทุกข์เนี่มันก็ต้องมาหาอุบายทำไงให้ไม่หลงไปเลยเอ้าเอาเป็นหลักไว้เอาหลักไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโปพุทโธพุทโ็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุไม่ทุทโธพ เอาผมเห็นโทษมันเห็นนี่คุณเห็นโทษว่าเออถ้าใจายอยู่กับผู้โธมันไม่ทุกข์จริงๆแต่ถ้าหลุดพทุทโธพุกงทิ้งพุทโธไปเออมันยังเป็นทุกเดี๋ยวไปทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ไปห่วงใยไปกงังวลกอเป็นทุกข์จริงๆริเพราะนั้นมันก็เลยเห็นโทษเห็นโทษว่าทิ้งหลักแล้วแล่นออกไปมันเป็นทุกข์จริงๆมันก็เลยเอาหลักไว้พุทโธผู้โธพุทโธพุทโธพุทโธสุดท้ายมันเห็นโทษในตัวของมันเองว่าเฮ้ยมันแล่นไปเป็นทุกทุกทีไวะแล่นไปจะไรเปทททุุกก ไม่ต้องแล่นไปนะวะก็ไม่แล่นออกไปเลยมันก็ไม่แล่นออกไปเพราะไม่แล่นออกไปมันก็ไม่ต้องเจ็หลักละเพราะแล่นอะไกรก็เป็นทุกข์มันก็เลยอยู่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยน่าแค่นี้เนี่ยเหตุผลมันมันก็ไม่ซิกแซกอะไรมากมายหรอาใจอย่างเราคิว่าน่าจะเข้าใจพราะเตียงพอแล้วน่าแค่นี้